นอากาศก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวซึ่งธรรมชาติเนี่ยสอนธรรมเราตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอาจารย์เราได้หมดสามารถให้ธรรมะกับเราได้ไม่วจะเป็นบุคคลรอบข้างเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนหรือแม้แมือต้นไม้หรือสัตว์เลี้ยงสอนธรรมเราได้หมดสามารถสอบอารมณ์เราได้ทุกอย่างถ้าราวางใจเป็น เราก็สามารถหาความรู้หาประสบการณ์จากสิ่งรอบตัวได้แต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นเราก็จะได้อกุโสรจิตได้รับความทุกข์เป็นรางวัลคนเราที่ทุกข์เพราะวางใจไว้ผิดการวางใจผิดส่วนมากก็เกิดจากการไม่ได้เรียนรู้หรือขาดประสบการณ์ชีวิตการได้ยินได้ฟังมากการครบครูบาอาจารย์คบสัตธบุรุษ โคบันติตเนี่ยทำให้เราได้ความรู้สามารถเปลี่ยนวิธีคิดได้คนเรามีการสามารถพัฒนาได้บางคนความคิดคิดยังไงก็คิดตลอดชีวิตไม่มีการพัฒนาเลยจึงก็ต้องรับกรรมไปซึ่งทางพุทธศาพสนาเนี่ยคนเราสามารถเปลี่ยนกรรมได้สามารถเปลี่ยนนิสัยได้เปลี่ยนกรรมไม่ดีให้เป็นกรรมดีได้บางคนจะเคยมีนิสัยก้าวล้วนิสัยไม่ดี เห็นกับตัวขี้ฉาพยาบาทหรือโลภหรือขี้โก้ต่างๆสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้จักตัวเองเนี่ยเราจะสามารถละได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักเราก็จะมองนอกตัวกิเลสเราก็ไม่ลดแล้วเราไม่สามารถดับทุกข์ได้เลยเพราะสิ่งนี้ก็อยู่กับตัวเราตลอดไปความคิดเนี่ยมีอันตรายอยู่สามประเภทประเภทที่หนึ่ง ความคิดที่ไม่รู้ความผิดพลาดของตัวเองคือเพ่งโทษผู้อื่นซึ่งความคิดเนี่ยจะเป็นความพิทักษากลคนทั่วไปจะมักจะตกอยู่ใต้ความคิดนี้ความคิดที่สองที่เป็นอันตรายก็มักจะทําทําผิดจนเคยชินแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าทําผิดคือทําบ่อยๆอย่างบางคนเนี่ยติดตติดบุหรี่ติดเหล้าติดการพนัน ก็ทําทยนชินหรือเจ้าชู้แล้ว ม, มีอะไรหลายอย่างที่ติดเพราะติดแล้วก็ไม่คิดจะเลิกแล้วก็ฟาพิดอันตรายไปที่ที่สามก็มคือฟางคิดที่ทําร้ายตัวเองทําร้ายตัวเองเกิดปัญหาขึ้นมาก็จะหนีบางครั้งก็ฆ่าตัวตายก็มีคือเป็นคนที่จิตใจอ่อนแอเวลาเกิดอุปสรรคเข้ามาแทนที่จ ะ, ะเผชิญหน้าแล้วกลับหนีปัญหาบางครั้งอุปสรรคก็ไม่ได้น่ากลัวไปที่เราคิด แต่ฟ้าพิษปรุงแต่งนี่น่ากลัวกว่ามากบางครั้งเรายอมเผชิญอุปสรรคดีกว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปละวบางครั้งสังเกตต้นไม้ไปอาจารย์เรานะต้นไม้เนี่เวลาโดนหักกิ่งต้นไม้ไม่เคยเสียเวลามาทุกขเรื่องพวกนี้เลยก็พยายามแทงกิ่งขึ้นมาใหม่แล้วก็สลัดกิ่งที่หักลงไปให้เป็นอาหารแก่รากเพื่อบนเลี้ยงลําต้นต่อไป ความทุกข์ก็เหมือนกันความทุกข์นี่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปแต่เราสามารถเอาความทุกข์นี่มาเป็นปัญญาได้ถ้าเกิดความทุกข์สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือได้บทเรียนสามารถเอาเป็นอาหารใจได้ซึ่งความคิดสามประเภทนี้จะเป็นสากลเลยจะมีเกิดกับทุกคนอาตาก็เป็นอย่างยี่มก่อนตัวอาเองประอกอนปใใหม่เนี่ยทั้งเพ่งโทษคนอื่น ทั้งกลัวกลัวปัญหาแล้วก็ไม่เคยเห็นความผิดตัวเองเทอโบดไปหลายๆปีอา้าวเราเองนี่ก็เลวอยู่เลยมีเรื่องเลวมากมายภาษาแรกๆ ก, ก็ไม่เห็นอารมณ์ตัวเองมีแต่มองคนอื่นเข้างนอกตัวคิดว่าตัวเองดีแล้วกิเลสลบกดหลงก็ไม่ได้ลดอารมณ์อารมณ์ที่ละเอียดคืออิจฉาอะไรก็ยังมีอยู่มากมายประสบะการณ์ก็สั่งสั่งสอน ที่จริงก็คือคนรอบข้างนี่แหละให้ธรรมะเราให้เราดูอารมณ์เกิดอะไรขึ้นมาเอาเราเป็นอย่างนี้ไปแล้วถ้าเราไม่ทานเราก็ปรุงแต่งไ ป, ปตามที่มนปรุงอะไปดูดอารมณ์มาจากประสบะการณ์จิตบางครั้งมันก็ได้บทเรียนถ้าระวังใจผิดเราก็ได้รับการลงโทษแต่บางเรื่องที่ระวังใจถูกเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็ก เราสามารถเปลี่ยนปัญหาเป็นกายเป็นปัญญาได้เทคโนโลยี อ, อาศัยประสบะการณ์เหมือนกันจะบางังคับอาลบาไม่กล้าสอนเพราใหม่เลยเพราะรู้ว่าต้องใช้เวลาเปสิบสิบปีหรือบางทีต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองมาสอนไม่ได้อาาต้องไปเจออารมณ์ถูกสอบอารมณ์เจอคนล่วงเกินหรือเจออะไรที่เป็นอุปสรรคอะ่ะถ้าเราวางใจเป็นเราก็ได้บทเรียน สามารถนาสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ได้คือหาหาสุขจากทุกข์แต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นเราก็จะทุกข์หนักกว่าเดิมซึ่งคนที่คิดได้เป็นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาก็กินเหล้าเมาเพื่อลืมกลัวความที่ปรุงแต่งบางคนก็ไปทำร้ายคนติดคุกติดตดารางก็มีที่เราเห็นเห็นเหอยู่ทั่วไปอะ่ะซึ่งแล้วคนวางใจเป็น ก็สามารถอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่ถูกโลกธรรมโลกธรรมแปดประการเนี่ยคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสารเสยมีนินทามีสุขมีทุกเนี่ยย่ำอยู่หัวใจเราตลอดเวลาแต่เราเข้าใจตัวนี้เราก็ยอมรับได้เวลาเกิดคือได้ลาบขึ้นมาเราก็ไม่ดีใจเท่าไหร่ไม่ดีใจเกินไปเวลาเสียเราก็ไม่เสียใจเท่าไหร่ ซึ่งผิดกับคนที่ได้ลาบแล้วดีใจเวลาเสียขึ้นมาเนี่ยโอ้โหบางคนร้องไห้ฟูมไฟก็มียศก็เหมือนกันยศนี่ก็เป็นสิ่งที่หลอกลวงยศชื่อเสียงอํานาจเนี่ยหลอกลวงหมดเลยเป็นสิ่งที่หนักแต่เราเข้าใจชีวิตเนี่ยเราสามารถใช้ชีวิตยังไงก็ได้อย่างอยู่วัดเนี่ยเรามา ก, ก็ฝึกตัวนี้อยู่บางครั้งเราก็เป็นพาลงเก็บขยะล้างซ่วมก็มี อาไม่เคยวางตัวเป็นอาจารย์ทั้งครเลยเลยวัดนี้สอนตัวเองตลอดเพราะว่าอาจารย์กลัวกลัวการเป็นอาจารย์มากเพราะการเป็นอาจารย์ถ้าเราวังใจไม่เปเราจะฆ่าตัวตายทันทีเลยให้ค น, นนับถือเรายกย่องเราแล้วเราก็เลือกสอนตัวเองเราต้องเรียนรู้ตัวเองตลอดเวลามีการพัฒนาตัวเองซึ่งการสอนที่ดีสือการกระทําบางคนพูดเก่งแต่แต่ว่า ธรรมะไม่มีเลยพูดอย่างทําอีกอย่างซึ่งการกระทำเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้คือทำให้ดูอยู่ให้เห็นมีรนุภาพมากกว่าการพูดบางคนพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเก่งเห็นตัวเคลื่อนตัวไหวรู้สึกตัวแต่การกระทำก็ตรงข้ามเพราะว่าบางคนคิดสอนคนอื่นไม่คิดสอนตัวเอง การสอนตัวเองสอนยากมากบางครั้งต้องใช้ฝ่าอดทนบางทีก็ต้องเจออุปสรรคมากมายชีวิตคือการเรียนรู้อย่างก่อหลวงพ่อพุทธทาบธธรรอยู่ก่อนหนึ่งอาราก็ชอบก่อนมองถูกทุกขายอ่านหมายท่องให้ใหฟังมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้ขอหรือมองคนถ้าค้นหา มีสิ่งสอนเสมอการมีปัญญาจะพบว่าล้วนมีพิษอนิจจังจะมองทุกหรือมองสุขมองให้ดีว่าจะเป็นไปอย่างที่เรานึกหวังหรือเป็นไปตามปัจจัยให้ระวังอย่าคุ้มคั่งจะมองเห็นเป็นธรรมดามองโดยในให้มันสอนจะถอนโศกมองเยกโยกมันไม่สอนนอนเป็นบ้ามองไม่เป็นจะโทษใครที่ไหนมา มองถูกท่าทั่วขายสลายเองซึ่งสิ่งรอบตัวได้ไปอาจารย์เราได้หมดอาจารย์ที่ดีด้วยเพราะเราต้องเจอมากอย่าคูบาอาจารย์สอนเรนิด น, น, น่อยเองแล้วบทีก็สอนเรื่องมรรคผลิพานให้เกินตุกไกลกับตัวเรามากแต่ถ้าเกิดสัจธรรมคือธรรมชาติเนี่ยสอนเราใกล้ความจริงมากกว่าว่าเราติดอารมณ์ไหมเราโกรธไหม เราเมตตาจริงไว้เราเห็นกตัวไหมอันเนี้ยเราจะรู้ด้วยตัวเองเราเป็นคนยังไงกันแนะ่เพราะโดยมากแต่คนจะมองไม่เห็นนิสัยตัวเองหรอกว่าเราเป็นคนยังไงเพราะโดยทําโดยธรรมชาติกิเลสแล้วมักจะเข้าข้างตัวเองคือทําอะไรเพื่อตัวกูของกูสังเกตเราคุยกับใครแต่ถ้าคนที่อัตตาอัตตามากหรือกิเลสหนาเนี่ยจะป้องกันตัวทีเลยจะไม่ยอมแล้วผมผิดครับ จะโยนความผิดให้คนอื่นทันทีเลยโดยธรรมชาตินะแต่ละคนที่อัตาน้อยเนี่ยจะยอมรับว่าผมผิดครับผมขอโทษทีหลังผมจะไม่ทาอีกแล้วเ ร, เ, ลเราจะไม่โยนความผิดให้คนอื่นหรือวัตถุอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างพวกเร า, าอยู่ด้วยกันหลายคนอยู่กันมากมีความสามารถแตกต่างกันบางคนก็เป็นหมอบางคนก็เป็นช่างบางคนก็ มีความสามารถหลากหลายการอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องอาศัยความสามัคคีฟวามีน้ำหนึ่งใจเดียวกันบุคคลา จ, จึงมีความสุขยังไม่ชี้ก็ความสามารถไม่เท่ากันบางคนเก่งด้านนู้นบางคนเก่งด้านนี้แต่เราเนี่ยสามารถเอาความสามารถของแต่ละคนเนี่ยมารวมกันได้สังเกตดีนะสิ่งที่เราขาดมากคืออยู่กับเพื่อน เพรเพื่อนบางสีก็เก่งกับเราด้านนี้แต่เราเนี่ยไม่เก่งแต่ว่าสิ่งสิ่งที่เพื่อนขาดก็มาอยู่กับเราก็มีเราสามารถพึ่งพาใัยกันได้เรามาจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งนิทานเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยกรุงศรีธิยาอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าเสือเสเดอภาสสาบุรีเพื่อไหว้พุทธบาทพระเจ้าเสือเนี่ยเป็นคนที่ใช้คนเก่งมากขั้นก็ ให้คนที่ฉลาดเนี่ยเป็นมหาเล็กติดตามแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยฉลาดให้เป็นคนเจาเรือแล้วก็เสด็จมาทางน้ําเรือก็แล่นมาเรื่อยๆคนเจาเรือเนี่ยพายเรือจนเหงื่อโซก k เลยมหาเล็กนั่งหลับสบายถึงไม่นั่งหลับก็นั่งแบบทอดลมสบายๆเพราะไม่ได้เหนื่อยอะไรคนเจาเรือพอเจาไปก็จะชัก หมั่นไส่ก็เลยเริ่มบนนะเอ้ยคนเหมือนกันนี่หว่าพะเ้าเสือก็เริ่มสังเกตเห็นแต่ก็ไม่ว่าอะไรสักพักหนึ่งมาได้ระยะหนึ่งก็เอ้ยคนเหมือนกันนี่หว่าพื่อาเสือกคิดละเอคนเจะเรือรู้ว่ามคิดอะไรอยู่พอสักพักหนึ่งเรือเรือเสด็จก็มาถึงที่พักกลางทางชั่คขาว พระเจ้าเสือก็หาวายว่าจงสั่งสอนคนจาวเรือท่านหน่อยให้รู้สํานึกก็เลยออกบายให้มหาเล็กไปที่อื่นแล้วก็เรียกคนจาวเรือมาบอกเอ็งลงไปดูใต้ถุนสิเสียงอะไรกุกกะกุกว่ามีอะไรอยู่คนจาวเรือมุดเข้าไปแล้วกลับอะไรงานมีหมาออกลูกพระเจ้าค่ะกี่ตัวพระเจ้าเสือถาม คนเจ้าเรือแล้วมุดกันไปครั้งที่สองสี่ตัวพระเจ้าค่ะแล้วพระเจ้าเสือก็ถามอีกตัวผู้หรือตัวเมียลงไปดูทีทสิคนเจ้าเรือมุดกัไปครั้งที่สามตัวผู้สองตัวเมียสองพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือถามอีกแล้วสีอะไรคนเจ้าเรือรก็มุดข้าไปครั้งที่สี่สีดำสองสียมตาลสองพระเจ้าค่ะ พร้าเสือก็ถามอีกแล้วแม่หมาสีอะไรคนเจ้าเรียวมุดเข้าไปครั้งที่ห้าสีนวลพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือสะพังก็เรียกมหมาเล็กมาแล้วให้มุดลงไปดูมั่งถามาข้างล่างมีอะไรซึ่งมหมาเล็กตอบรวดเดียวบดเลยตอบว่าหมาออกแม่หมาออกมีมีหมาออกลูกอยู่ มีลูกหมาสีตัวตัวผู้สองตัวเมียสองสีดำสองสีอำตาลสองและแม่หมาสีนวลพายเอเสือก็หันไปตะคอกคนเจาเรือบอกไหนเองบอกว่าคนเหมือนกันก็ดูด่าว่าก้าวสังสอนไปเยอะให้รู้สันึกธร์ทัางดารคนจะไม่เหมือนกันบางคนนี่ก็มีความคิดความอ่านละเอียดสามารถตรวจงานครั้งเดียวละ จำใส่ได้หมดเลยแต่บางคนเนี่ยอาจจะเรืองสิบรอบก็ได้คนที่มีหัวหน้างานเนี่ยจะมองงานละเอียดมองกว้างกว่าบางทีทำงานต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือของที่จะทำวางแผน ล, ล่วงหน้าซึ่งบางทีลูกน้องเนี่ยใช้กําลังอย่างเดียวไม่ได้มีการวางแผนตัดเตรียมอะไรบางทีค่าแรงค่าจ้างก็ถูกกว่าไกลกันมากบางทีเพราะงานรับผิดชอบแตกต่างกันคนเราบุริปัญญาไม่เท่ากันแล้วก็ ความสามารถก็ไม่เหมือนกันเพราะคนเรากิเลสไม่เหมือนกันการที่คนเราชอบไม่เหมือนกันเนี่ยก็เลยฝึกไม่เหมือนกันกับความชํานาญแต่ละชนิดจะเราสามารถอาศัยความชํานาญของแต่ละคนเนี่ยเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้คือใช้คนให้เป็นแล้วก็อยู่ตําแหน่งที่เหมาะสมกับงานที่ตัวเองถนัดเมื่อจะเป็นแม่ชีเป็นพระเนี่ยถ้าถ้าอยู่ตําแหน่งที่เหมาะสมเนี่ย วัดป่าสุกโตก็จะมีการพัฒนาไม่หยุดอยู่กว่าที่ซึ่งวัดทั่วไปจะไม่มบุคลากร อ, อย่างนี้หายากที่ปัญญาชนและคนที่ฟาสามารถอยู่รวมกันมากๆแต่สิ่งแรกที่สำคัญก็คือต้องสามัคคีกันต้องไม่อิจฉากันแล้วก็ผลงานบางทีถ้าจะให้ดีก็ยกให้ความว่างทำโดยไม่หวังอะไรอันนี้สำคัญมากเพราะคนเราโดยมากมักจะหวังอย่างน้อยหวั ง, วงความชื่นชมไม่ยังดี วาให้ครูบาอาจารย์รักบางทีครูบ า, าจายไม่รักก็ได้เพราะว่าอาจจะรักรักไม่เท่ากันแต่เราวางใจเป็นเราก็จะทุกข์มหาศาลเลยเอ๊ะทาไมคนนี้อาจารย์รักคนนี้อาจารย์ไม่รักเ้าคนนี้รวยคนนี้จนซึคนเราทุกข์เพเปรียบเทีย บ, ยบแต่เราวางใจเป็นเนี่ยเรายอมรับได้พอใจสิ่งที่ตัวเองมียินดีสิสิ่งที่ตัวเองได้เราจะไม่ค่อยทุกข์ไม่เรียกร้อง ใครจะรักเราก็กรักก็ดีไม่รักก็ไม่เป็นไรรับได้เพราะว่าผู้ที่เป็นโลกธรรมบาง ท, ทีเราสร้างเหตุไว้เหมือนกันคนเราเนี่ยสร้างกรรมก็ต่างกันคือคนเราบากทีทุกข์ก็เปรียบเทียบอันนี้เป็นสากลเลยอาณาบาเนี่ยจะเจอปัญหานี่มากเลยเฟ e บุ๊บางคนก็อ้างว่าเอ๊ะ มาถามปัญหาจ่าไพศาลบอกว่าทําคุณคนไม่ขึ้นจ่าไพศาลก็ตอบว่าเราทําคุณคนเนี่ยช่วยเหลือใครเราอย่าหวังผลตอบแทนเพราะบางครั้งเหตุเหตุเหตุและปัจจัยยังไม่พร้อมบางคนเขาก็ไม่ลืมบุญคุณเราหรอกแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาตอบแทนแต่บางคนลืมก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เราทำก็คือสิ่งเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าเราวางจิตผิดเนี่ยบางทีคนยืมเงินเนี่ย กลายเป็นศัตรูกันก็มีนะเขาไปทวงเขาแล้วไอ้เจ้าลูกนี่มันเกลียดเจ้านี่ตีกันก็มีจากมิดกลายเป็นศัตรูไปเลยเพราะว่าจะ ก, การให้ยืมเงินกันช่วยเหลือนี่แหละถ้าวางใจผิดกางทีเราไปหยางศักดิ์ศรีเขาแม่เกลียดเขาแต่บางครั้งเราช่วยเขาเราแบบไม่หวังแม้แต่การจะได้คืนเนี่ยเขาจะมีรู้บุญคุณเราหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของเขาแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยขอเราทําเรามีความสุขก็พอถ้าวางใจเป็นอย่างนี้นะ เ่ค่อทุกข์หรอกถึงทุกข์ก็ทุกข์กน้อยคือไม่เรียกร้องอย่างที่ผัวเมียเลิกกันเนี่ยพ่ออีกฝ่า ย, ยาเรียกร้องอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งดีกับตนมว่า ก, การเรียกร้องเนี่ยก็ทำอีกฝ่ายหนึง่งรู้สึกรู้สึกทุกข์แล้วก็รู้สึกว่าอึอดอัดบางครั้งดีเกินไปก็มีซึ่งถ้าคนระวางใจเป็นและเข้าใจกันเนี่ย เรื่องเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องหมดปัญหาไปไม่น่ากลัวอย่างอย่างผ้าในวัดเราเนี่ยถ้าสามเมื่อคีกันปองดองกันแล้วก็อยู่กันยังมีมีความสุขเวลามีงานใหญ่ขึ้นมาสักแป๊บเดียวก็เสร็จล้อยากถูศาลาเนี่ยบางทีไม่ไม่กี่อาทีก็เสร็จสมัครมาบวชในบ่ายเนี่ย บางทีถูกันสองคนสาคนกันบอาจารย์มาราชัยตอนนั้นอะ่ะเมื่อก่อนถูกันไปนชั่วโมงก็มีเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีคนช่วยทํางานสองคนสองคนอย่งเงี้ยถูกันแต่ก็ถามทุกวันเพราะว่าเพราะว่าเป็นการฝึกตัวเองอย่างเมื่อก่อนธรรมาก็ฝาดใบไม้เยอะเพราะพระน้อยรอนบวชใหม่เนี่ยบางทีฝาดตั้งแต่หน้าหอไตเนี่ยอ้อมรอบซาอีกบางีฝาดถึงสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเนี่ย บางทีก็ช่วงน้นพมีน้อยมากแล้วส่วนมากพระก็บางคนก็ขี้เกียจก็มีแต่ถ้าวางใจเป็นเราก็อยากทุกแล้วเอ๊ะทาไมเขาไม่ทําเราก็ทำคนเดียวมีจะทําทุกอย่างเลยถึงเวลาทําวัดแล้วมาตีค้องอีกทำทุกอย่างแหละปูปะสะนะัสนาไอคนไม่ทําก็ไม่ทําถ้าเราวางใจผิดเนี่ยตายล้วเพ่งโทษแต่ถ้าวางใจเป็นก็ไม่เป็นไรถือว่าเราช่วยกับช่วยเพื่อนเพื่อจะเอาเปรียบเราบ้างก็ไม่เป็นไร แตเด็กระบายก็สบายแล้วบางทีพวกน้องๆกาช่วยทําบดเลยคือว่าแต่ละคนก็ขยันซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าพระรุ่นพี่ทําตัวอย่างที่ดีให้ดูพารุ่นน้องเข้ามาก็ทําตามแต่แล้วรุ่นพี่ทําไม่ดีเนี่ยรุ่นน้องมาก็เอายะเอาอย่างเหมือนกันแหละคือมันมีข้ออ้างพ้ารุ่นพี่ต้องเป็นตัวอย่างดีกับน้องๆในคิจวัตสง์ ทุกที่อ่ะพอหัวหน้าเร็วลูกน้องก็เร็วหมดอาณาาเคยไปเมือ่อก่อนเคยอยู่สวนโมกแนละ้วตอไปต่อไปกีดินโมนเนี่ยตอนไปงานศพเนี่ยเราต้องไปร่วมกับวัดอื่นบางทีวัดอื่นเนี่ยสูบบุหรี่กันทั้งวัดเลยฟันเขาหมงโอ้โหฟันตะลมอวบอวนคือวัดเขาเจ้าว่าสูบรู้ว่าก็ต้องสูบคือเข้าเมืองหลิวๆตาตามถ้าไม่สูบก็อยู่ไม่ได้สวนโมกไปเนี่ยไม่มี ที่วัดจะไม่สูบบุหรี่พักเรียบร้อยถ้าไปบางที่เนี่ยเราจะเจอขึ้นอยู่กับหมูนะถ้าหมูหมู่หมูเกรเรรู้ว่าเกรเรหมดอะ่ะหมู่ไหนกินมามา่ามื้อเย็นวัดนั้นก็จะกินมามา่าอนุบาสังเกตเป็นอย่างนี้หมดแหละเพราะว่ามันต้องเข้ากับสิ่งแวดล้อมหมู่ไหนทำพามเพียนนั่งสมาธิเดินจงกรมหมูนั้นก็จะทํากันทั้งหมด เพราะแต่ละคนมีจิตใจดีอยู่จะ่บาีสิ่งแวดล้อมพาไปบาที่ครูบาอาจารย์พาลุนพี่เป็นตัวแบบอย่างให้ดีพระรุ่นน้องก็สามารถเดินตามได้แต่ถ้าครูบาอาจารย์หรือพระรุ่นพี่ทำตัวเล่เทะเอาแต่สะดวกสบายขี้เกียจพระรุ่นน้องก็ทําตามเมันก็นแหละเพราะเข้าทางกิเลสอย่างคนเราเนี่ยกินเหล้า บางคนกินเหล้าไม่เป็นพอคนขยันขยอให้กินเหล้าเนี่ยแป๊บเดียวก็ติดละบุหรี่ก็เหมือนกันยิ่งการพนันพวกไพ่บางคนเล่นไม่เป็นหรอกแต่พวกสิ่งเร็วๆ เ, เนี่ยฝึกง่ายแป๊บเดียวก็เป็นเดี๋ยวก็เก่งจะการทำความดีฝึกยากก็ราสวนกระแสการทอดีก็อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนอันนี้ทำยากอย่างคนถ้าวางใจเป็นเนี่ยเราสามารถทำดีได้ โดยไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้บางคนยากจนแต่เราวางใจเป็นเนี่ยเราสามารถมาวัดมาทำบุญโดยใช้แรงก็ได้ไม่จำเป็นต้องอาศัยเงินเสมอไปช่วยหลวงพี่หลวงพ่อทำนู่นทำนี่ฟาดใบไม้เก็บขยะดูแลความเรียบร้อยของวัดอันนี้ก็ได้บุญ ล, ละเห็นกิ่งไม้หักกิ่งไม้ล้มแล้วก็ช่วยเอาไปทิ้ง เห็นเศษแก้วเศษขวดแล้วกเก็บให้ดีเขาที่งเขาทางแล้วก็บริการช่วยคนนู้นคนนี้อันนี้ได้บุญตลอดเวลาเลยใครทําความดีแล้วก็สาธุด้วยการสาธุเนี่ยเป็นการทําให้จิตใจอ่อนน้อมบางครั้งได้บุญมากคนทำด้วยนะถ้าคนทําวางจิตไม่เป็นเนี่ยคือบางคนทำบุญด้วยความโลภทําบุญร้อยหนึ่งอยากได้ถูกอยากให้ถูกหวยลอตเตอรี่สักล้านหนึ่ง อันเนี้ยอันนี้ค้ากําไรเกินควรจิตไม่บริสุทธิ์แต่บางคนเนี่ยเห็นเขทํา ว, วันดีวัสารทุกอนุโมทนาทุกครั้งจะเป็นนิสัยเนี่ยอันนี้ได้บุญมีส่วนได้บุญเหมือนกันคุนข้อ น, นี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามแต่ว่าหลักใครทําไม่ดีเนี่ยบางทีจิตเราเนี่ยจะเผยเพง่งโทษโดยอัตโนมัติเราต้องรีบรู้สึกตัวแล้วเพราะถ้าเกิดเราทำบ่อยๆเนี่ยจิตเราก็หยาบ เพราะว่าจิตอารมณ์พวกนี้ไปอกุศลจะหนักการให้เราเคลื่อนมือแบบหลงวงพ่อเทียนเนี่ยช่วยได้ทําให้จิตสติเวายขึ้นแต่ถ้าคนจําจากตํำรับตําลาบางทีไม่ฐานหรอกเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้เป็นไปไกลแล้วแต่การเดินจงกรมบ่อยๆการเคลื่อนมือการนั่งสมาธิบ่อยเนี่ยเป็นการขูดเการะเผลอไปเนี่ยเข้าไปอารมณ์นั้นอารมณ์เนี่ยเราก็สามารถออกมาได้เร็ว าบางคนสติเอาไว้ LY ตัดชับเลยบางทีคิดอะไรปรุงแต่งอะไรเนี่ยแต่พวกนี้ไม่นของไม่เที่ยงบางคนก็บางวันก็ปฏิบัติดีบางวันก็ปฏิบัติไม่ดีเอาแน่นอนไม่ได้เพราะสติเป็นของไม่เที่ยงมีของเกิดดับบางวันอาจจะปฏิบัติดีสงบรู้สึกตัวบ่อยเหลือเกินบางวันก็หลงทั้งวันแต่ตามาว่าการหลงทั้งวันเนี่ยดีนะถ้าเรารู้ว่าเราหลงทั้งวันเนี่ย เหมือนกับน้ำไมโอ่งเนี่ยเราควรมันอ่ะควรมันมันก็ไปตะกรอนขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นแต่ถ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เจอลมเลยเราไม่รู้จักมันเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญญาบางทีเรารู้เราเจอเราเนี่ยเกิดอิจฉารู้สึกตัวขึ้นมาโลภรู้สึกตัวขึ้นมาโกรธรู้สึกตัวอารมณ์อะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ย ฉะนั้นเราคือการได้ปฏิบัติธรรมแล้วรู้เผลอไปเมื่อกี้ถ้าคนไม่รู้ตัวนี้อ่ะบางคนจะเผลอทั้งวันเลยคนที่ไม่ไม่ไปเรียนธรรมะไม่มาฝึกสติเนี่ยจะกลางคืนนอนก็ฝันตื่นมาก็คิดความคิดกับความฝันก็คือตัวเดียวกันอนะ่ะบางคนเนี่ยไม่เข้าใจชีวิตกลางวันน่ยวางแผนไอ้กลางคืนเนี่ยวางแผนจะทํางานวันรุ่งขึ้นแทนที่จะใช้เวลาพักผ่อน คือกลางวันกลางคนะนนงืนเป็นไฟกลางวันเปนไฟกลางวันต้องรีบไปทำแล้วคือชีวิตตกใต้อํานาจของความอยากบางคนหาเงินมาตลอดชีวิตแต่ขอโทษไม่ได้ใช้เพราะว่ากิเลสหลอย ห, หาเงินแต่แต่แต่ว่าตัวเองไม่มีโอกาสได้ใช้เงินเงินก็บางคนก็ส่งให้ลูกหลานใช้ล้างผานตัวเองไม่มีบุญที่จะใช้ก็คิดไม่เป็นคิดว่าเราต้องหาเงินตลอดชีวิต คือหาเงินเลี้ยงทางกายแต่ทางใจหรือสติปัญญาเนี่ยไม่รู้จักเลยบางคนมีแต่ธรรมะพุทธเจ้าเท่านั้นที่สอนเรารู้ทั้งกายทั้งใจอันไหนเป็นคุณไหนเป็นโทษคือคนทางโลกเนี่ยจะทุกทีก็เมื่อเมื่ อ, อตัวเองเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆ ห, หรือพ่อแม่ตายคนรักล้มหายตายจาก สิ่ง ใ, ใกล้ตัวหรือสูญเสียสิ่งของต่างอันนี้ถึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาแ้เดี๋ยวก็ลืมละซึ่งชีวิตเนี่ยคืออยู่ความหลงตลอดทั้งชีวิตอนมาเจออนามาบางทีไปกรุงเทพเนี่ยเราไปเห็นคนรู้จักกันเนี่ยเห็นเขาหน้าเขาจะแก่เร็ววอายุหน้าดำคิ้วขมวดบางคนทำอาชีพอะไรก็ทำอย่างนั้นแหละแล้วก็ทากันจนตายไปข้างหนึ่งแล้วก็คนประเภทนี้ จะบอกทำรรมะหรือจะเรียกเข้าวัดเนี่ยยากมากเพราะเขาไม่ได้สร้างเหตุเอาไว้คือเขาไม่ได้คบบัณฑิตคือคบแต่คนพาด้วยการ ค, คนหลงด้วยการการครบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยที่เป็นบัณฑิตเนี่ยถือเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยสามารถทำให้เราเนี่ยชีวิตชีวิตเปลี่ยนได้อนาตมาเชื่ออย่างหนงคนเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ คนที่โง่สามารถเปลี่ยนเป็นฉลาดได้คนที่ทําอะไรไม่เป็นสามารถเก่งได้ถ้าเราไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยซะก่อนคนเราพัฒนาได้แน่นอนอย่างตัวระบานเนี่ยมาอยู่วัดเมื่อก่อนก็ไม่ทําอะไรไม่ค่อยเป็นมาอยู่วัดในวิชาเก่าที่ ท, ท, ที่เคยทํามาแทบไม่ได้ใช้เลยเราได้วิชาใหม่ทั้งนั้นเมื่อก่อนอระบาดเล่นโทรศัพท์ก็ไเป็นกดหัดกดผิดทุกเพอาะตอนหลังเนี่ยเราเราก็เรียนรู้เราเราก็เรียนรู้ได้ โทรศัพท์ตั้งติดตั้งคนรู้คนนี้ได้ช่วยคนรู้คนี้ได้หมดทุกอย่างหัดได้หมดอะ่ะคอมพิวเตอร์มาก็เล่นไม่เป็นพาตอนหลังอามาก็าหัดเล่น ส, สามารถก๊อปแผ่นได้อัดเสียงได้แล้วก็ทําสามารถทําอะไรใหม่ๆอีกมากมายอย่างเฟซบุ๊กเรามาก็โพสต์มาลงทุกวันใหม่ๆก็เล่นไม่เป็น เล่นไม่เรู้เรื่องพอเล่นเป็นปุ๊บเราก็สามารถทํางานได้ทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมส่วนตัวด้วยซึ่งคนเรารหัดได้หมดทุกอย่างยุคเวทเราจะไม่หัดอย่างต้นไม้เหมือนกันเรามาปลูกต้นไม้เป็นก็มาหัดที่วัดเราก็เรียนรู้ชีวิตต้นไม้ปลูกยังไงใช้ชีวิตยังไงต้นไม้มันสอนทําไม้เราตอบเวลาเอาเดี๋ยวถึงเวลาใบก็ร่วง บางครั้งเร า, เาบำรุงดีๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายก็มีขัดใจเราเหตีการณ์พวกนี้เรแก้ไม่ได้เลยบางทีหนอนแล้วกินใบมัง่งใบ ส, ยสวยๆเนี่ยแต่ถ้าเรามีความยึดแต่ต้นไม้เราจะทุกข์มากเลยต้นไม้บางต้นก็ราคาแพงบางต้นก็ราคาถูกคือเขาม่อยู่ใต้อำนาจของเราเลยสังเกตดีๆนะขัดใจตอนหลังมาเปลี่ยนใจแล้วปลูกปลูกก็ปลู ก, ลกทำหน้าที่ลดน้ําให้เขา บังคช่วยเขาแต่ว่าก็ไม่ได้ไปยึดเขาอะเขาจะตายก็ตายไปอยู่รอดก็รอดไปแต่เราก็ทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดต้นไม้เป็นอาจารย์เราได้เพื่อนร่วมวัดเป็นอาจารย์เราได้หมดสามารถให้บทเรียนเราได้เมื่อเจนบวกเป็นลบบทเรียนเนี่ยหาได้ทุกวันถ้าเราจิตใจเปิดกว้างรับการเรียนรู้ไม่เป็นน้ําชาล้นถ้วยแต่ถ้าเราเป็นน้ําชาล้นถ้วยเนี่ยเราจะรับอะไรเข้าไม่ได้เลยเราจะปิดกั้นตัวเอง เราจะไม่เรียนรู้เราจะไม่พัฒนาสังเกตบางคนอยู่ยังไงก็อยู่งันจะไม่เก่งขึ้นเลยอย่างถ้าเราไม่เป็นน้าชาล้นคัว่วเราจะมีฝีเราจะเก่งขึ้นทุกวันมีการพัฒนาตัวในทุกวันฟาร์มรู้เพิ่มขึ้นทุกวันก็ทุกคนก็อย่าลืมปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่สําคัญมากภาวนาไม่เนี่ยในในบุญกิจยาวัตถุสิบเนี่ยอนานมาบอกว่าสำคัญที่สุดเพราะสามารถออกจากกองทุกได้ทุกคนมาวัดเนี่ยมาอยู่วัดเนี่ยก็ควรจะภาวนา อย่างการ ท, าทํางานทาาอื่นถือเป็นงานเดรเลกไปให้ภาวนาถือเป็นงานหลักเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหร่อันนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยวันนี้เราสุขภาพดีพรุ่งนี้อาจจะไม่แน่แล้วไม่มีหลักประกันแต่ถ้าเราจเจริญสติเรื่อยๆ เ, เนี่ยสติแล้วการสึกตัวเนี่ยจะเป็นเพื่อนแท้ของเราเพราะแต่ละคนเนี่ย ถูใครตัวมันเวลาตายตายแทงกันไม่ได้เจ็บใครได้ป่วยแทงกันไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้จริงเลยมีแต่ฟ้ารู้สึกตัวที่ช่วยเราได้สามารถทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนภพภูมิได้มีปัญญาได้ก็ขอให้ทุกทุกคนเนี่ยอย่าลืมอย่าทิ้งการภาวนาอันมาก็เห็นว่า ผูธมะสับเพรละเลื่อยเปื่อยสมควรกับเวลาเดี๋ยวปิดท้ายด้วยก่อนของหลวงพ่อพุทธทาสรกรหนึ่งกรการทํางานมีนสีน่ารักเพราะบางคนเนี่ยจะเกลียดการทํางานบอกว่าการทำงานเนี่ยจะเป็นอุปสรรคการปฏิบัติธรรมแต่ที่จริงไม่ใช่นะการทํางานถ้าวางใจเป็นเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมมีการลดอัตราด้วยเพราะว่าทําให้ตัวตัวเราลดลง งานแม้จะเป็นงานชั้นต่ำแค่ไหนเก็บขยะฝาดใบไม้ล้างซ่วมอ่างเงี้ยถึงท่านคนทำงานเป็นก็ได้ธรรมะหลวงพระพุทธาแต่งไว้เพื่อแบบเอาใจคนทำงานอันไมจะท่องให้ฟังปิดท้ายการงานนี้ดูให้ดีมันน่ารักเมื่อยังไม่รู้จักก็อ้างขาดางคือไม่ชอบ ไม่รู้จักก็ปล่อยปะแล้วละวางบ้างล้องคางเมื่อรอหน้าว่าเบื่อจริงแต่ที่แท้การงานนั้นน่ารักสอนให้คนรู้จักไปทุกสิ่งถ้ายิ่งทํายิ่งฉลาดไม่พลาดยิงได้ตรงดิ่งสิ่งอุ ก, กิจคือจิตเจริญการงานนี้ดูไว้ดีมันน่ารักเป็นการชักธรรมะมาน่าสารเสริญคือมีสติฉันทะธรรมะเกิน ขันหยุดเพลินจิตก็วางทางนิพาน